เมื่อหลายวันก่อนมีข่าวส่งท้ายปีเก่าก็เป็นข่าวเล็กๆนะที่ไม่ได้หรือหวาอะไรแต่น่าสนใจก็คือมีข่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยคือปี64เนี่ยมันมีคนโพสต์แล้วก็แชร์ข่าวเท็จนะรวมแล้วก็ประมาณ24ล้านคนนะก็เรียกว่าหนึ่งในสามของประเทศเลยของประชากรประเทศแล้ว ก, ก็จำแนกนะว่าคนที่โพสต์ข่าวที่ เป็นท็เนี่ยหรือว่าเฟ e นิวเนี่ยเฉพาะคนโพสต์นะก็ล้านกว่าคนส่วนคนแชร์นี่ก็ยี่สิบสามล้านคนนะก็เรียกว่าคนแชร์นี่ก็มากเป็นยี่สิบเท่านะของคนที่โพสต์คนที่แชร์ข่าวเท็จนี่ก็กา จ, จะเป็นเราราท่านท่านนี่แหละไม่ใช่ใครเพราะว่ามันเป็นจำนวนถึงหนึ่งในสามของประชากรหรืออาจจะเท่ากับหนึ่งครึ่งหนึ่งนะของคนที่ใช้ โซเชียลมีเดียหรือว่ า, าโทรศัพท์มือถือ อ, ออนไลน์เนี่แล้วเาก็จำแนกนะว่าคนที่หรืออาชีพที่โพสข่าวที่เป็นเท็จเนี่ยมากที่สุดคือนักข่าวนะ น, น่าสนใจเพราะว่านักข่าวนี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่สแสวงหาข้อเท็จจริงนะ แต่ว่ากลายเป็นโพสต์ข่าวที่เป็นเท็จส่วนคนที่เรืออาชีพที่แชร์ข่าวเท็จมากที่สุดเนี่ยก็คือครูและอาจารย์ mm hmm. ก็น่าสนใจนะครูและอาจารย์น่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากน่าจะมีความอารอบคอบนะหรือว่ามีความเข้าใจนะมากกว่าคนอื่นนะแต่ว่าก็ กลายเป็นผู้ที่แชร์ข่าวเท็จมากที่สุดข่าวนี้นี่ที่จริงเนี่ยก็ก็ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นหรืออย่าเพิ่งไปทึกทักว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดนะถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่ข่าวเท็จหรือข้อมูลเท็จแต่ว่ามันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะไม่ใช่ว่าพอเป็นข่าวแล้วเราต้องเชื่อหมด ถึงแม้ว่านี่จะเป็นข่าวจากกระรวงดิจิตอลนะที่จริงการที่มันเป็นข่าวออกมาจากกระรวงดิจิตอลเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขที่ให้มานี่อาจจะคลาดเคลื่นอนจากความเป็นจริงก็ได้นะเพราะว่าธรรมดาของรัฐบาลเนี่ยข่าวหรือความเห็นใดที่ วิจารณรัฐบาลมันก็ง่ายที่จะสรุปหรือกล่าวหาว่าเป็นข่าวเท็จได้นะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของทุกรั ฐ, รฐบาลนะหรือเป็นธรรมดาของทุกคนนะนะถ้าใครพูดลดตัหนิวิจารณเราเราก็ปฏิเสธแล้วก่อนว่าไม่จริงนะไอเขาไม่จริงนี่พอยกระดับเป็นข่าวก็กลายเป็นข่าวเท็จไป เพราะนั้นนี่ถึงแม้มันจะออมาจากรัฐบาลนะก็อย่าไปสรุปทันทีว่ามันเป็นความจริงหรือว่ามันตรงความเป็นจริงอาจจะหมายความว่าอข่าวเท็จเนี่ยน้อยกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะเป็นไปได้สองอย่างแต่ว่าก็คงมีมูลความจริงอยู่บ้างนะเพราะประสบการณ์ของเราเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามันมีการโพสต์การแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะ ซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็มีอยู่สองเรื่องนะสองเรื่องใหญ่ๆ ห, นะหนึ่งเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้ติ่ต่อตารัฐบาลและสองนันก็เรื่องสุขภาพนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยโควิดมันแพร่ระบาดมากปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้น่ะ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับโอเมกรอนเกี่ยวกับยารักษาฟ้าทะลายโจร น, นะแอสตราเซนิก้าไฟเซอร์โมเดอร์าที่จริงก็เยอะที่ไม่จริงก็มากนะตอนนี้เนี่ยเมื่อเราฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยนะแม้ว่าใจยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่ามันเป็นข่าวที่ตรงความเป็นจริงแท้แต่มันก็ทําให้เราได้เห็นว่า ในการโพสข่าวเท็จแชร์ข่าวเท็เนี่ยมันเป็นความจริงนะแม้จะหารครึ่งนะหมายความว่าตัวเลข24ล้านคนเนี่ยถึงแม้จะหารครึ่งเหลือ12 12ล้านนะที่โพสและแชร์ข่าวเท็จนี่ก็ยังเยอะนะในเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้แล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้ จริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองเรื่องสุขภาพนะเรื่องศาสนานี่ก็มีการโพสต์มีการแชร์ข่าวลบข่าวเท็ตนี่เยอะมากอันนี้เมื่อเราได้ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังมากขึ้นอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าปีใหม่นี่ที่มาถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะทำคือว่าเราจะมีความยับยังช่างใจให้มากขึ้นในการแชร์ข่าว ไอความเห็นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าข่าวที่อ้างว่าเป็นความจริงนี่เราควรจะตั้งบรรทิธานนะว่าปีใหม่นี้เนี่ยเราจะไม่แชร์ข่าวอที่มันถูกใจเราง่ายๆนะส่วนใหญ่ที่มันที่ที่เราแชร์ก็เพราะมันถูกใจเราบางทีก็ไม่ได้ไต่ต้องว่าถูกต้องไหมอาจจะแชร์ด้วยความปรารถนาดี อาจจะแชร์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรือว่าด้วยความศึกษาใจอด้วยความสุขขนองนี่ก็คงจะไม่มีในหมู่พวกเราเนะแต่ว่าด้วยความปรารถนาแต่ที่แชร์ด้วยความปรารถนาดีนะแล้วมันถูกใจเราด้วยเนะี่ยหรือแชร์เพราะว่าความโกรธความเกลียดความศึกษาใจข่าวที่มันถูกใจเราอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะถูกใจเรามันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นข่าวเท็จก็ได้ให้เรา หนักว่าเนี่ยอันตรายอยู่ที่ปลายนิ้วนะอันตรายอยู่ที่ปลายนิ้วปลายนิ้วของเราที่กดนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถจะก่ออันตรายให้กับผู้คนมีมากมายหลายที่เลยนะที่ผู้คนฆ่ากันเนี่ยก็เพราะว่าข่าวเ ท, ท็จที่มันแช่กันนะไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศหรืออินเดียโอ้เลยมีเยอะแยะบางทีก็มีการลุมทําร้ายผู้บริสุทธิ์ เนะพราถูกกล่าวหาจากข่าวที่เป็นเท็จนะนะเช่นมีการแชร์ว่าเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะลักพาตัวเด็กนะนั้นะใครแปลกหน้านี่จะถูกลุมทำร้ายทันทีเลยในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในอินเดียถึงตายนะทั้งที่ไม่เป็ น, ปนความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราตั้งใจจะทําทความดีในปีใหม่นี้เนะี่ยก็ขอให้มีความยับยั้งชั่งใจ ในการแชร์ข่าวต่างๆให้หูหนักก่อนนะอย่เพิ่งหูเบาถึงแม้มันถูกใจเราถึงแม่ว่าเออมันจะเป็นข่าวที่น่าจะดีแต่มันอาจจะเป็นเท็จมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนกับผู้คนก็ได้บางคนก็ป่วยหนักนะเพราะข่าวเท็จเกี่ยวเรื่องสุขภาพนี่แหละกินนั่นกินนี่แล้วเดี๋ยวความดันจะลดเบาหวานจะหายว่าเราก็ปรารถนาดีก็แชร์ใหญ่นะ บอกว่าคนเชื่อเนี่ยกินเข้าไปตายก็มีหรือว่าป่วยหนักก็มีตายวายก็มีนี่ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะถึงแม้มาเจตนาดีแต่ว่ามีส่วนร่วมในการทําให้คนทุกข์ยากเดือดร้อนนั่นความดีอย่างหนึ่งที่เราควรจะทํำนะในปีใหม่เนี่ยก็คือว่ายับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นเวลาจะแชร์อะไรเจอข่าวอะไรที่ถูกใจก็อย่าเพิ่งเชื่อตรวจสอบข้อมูลซะก่อนถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งแชร์ ในที่จะระวังนะมันมีการขู่ด้วยนะหลายแหงนะ่งเนี่ยข่าวหลายแหงนะ่งข้อความหลายข้อความมันจะมีการขู่นะถ้าไม่แชร์นะครอบครัวงท่านคนใกล้ชิดง ท, ท่านจะเดือดร้อนนะกต้องใช้ครบสิบคนนะไม่งั้นครอบครัวเดือดร้อนถ้าเจอข้อความทํานองนี้นี่เมินเฉยได้เลยนะมันแสดงว่าข่าวนี้เป็นเท็จนะนะถูกโกงขึ้นมาบางทีก็ด้วยความข น, นองคนที่รักสนุก เพราะถาคนเจตนาดีเนี่ยเขาไม่มีการแช่งไม่มีการขู่แบบนี้หรอกนะแค่เห็นการขู่การแช่งแบบนี้ก็เชื่อได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่อาจจะทำเพื่อความสนุกหรือความประสงค์ร้ายก็ได้เราก็อย่าไปเชื่ออย่าไปสนใจอย่าไปกลัว ค, คําขู่เพราะคนดีเจตนาบริสุทธิ์นี่เขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราปีใหม่เนี่ยเราจะทําแล้วก็แล้วแตนะ่อย่างหนึ่งที่เราทําได้เลยนะก็คืออย่างที่ว่านี่แหละ อย่าหูเบาให้หูหนักเอาไว้ใช้หลักการมาสนพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบแล้วก่อนแล้วก็อย่ามืออย่าเบานะหูหูหูไม่เบาแล้วมือก็อย่าเบาอย่าไปแชร์อะไรง่ายๆเพราะอันตรายอาจจะเกิดจากปลายนิ้วของเราแล้วมันก็จะเป็นบาปได้